เท่าที่กำลังสติอํานวยได้บางไม่ได้บางก็ยังชื่อว่าพยายามฉันยังวกวนครุ่นคิดถึงคนรักใจไม่เป็นสุขเลยนึกถึงที่ไรเหมือนสัมผัสอยู่ตลอดเวลาว่าเธอกำลังร้องไห้ด้วยความน้อยใจบ่อยครั้งที่คิดจะโทรหาแต่ก็เหมือนมีตัวห้ามจากภายในมายักยั้งไว้ทุกหนคือคิดซ้อนขึ้นมาว่า อุตสาตัดได้แล้วจะใจอ่อนอีกเหรอจะเปิดประตูบาปให้เธออีกเหรอจะเอาเครื่องขวางการภาวนากลับมาอีกเหรอวันนี้บังเกิดความเห็นชัดว่าการภาวนาให้ตลอดรอดฝั่งมรรคผลนั้นต้องอาศัยกำลังใจต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวอย่างมากทีเดียวการภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลอย่างแท้จริงไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตั้งสติรู้กายใจ โดยความเป็นของเกิดดับแต่ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาละเว้นสิ่งที่กวนละเว้นให้ได้ซะก่อนถ้าแค่ตัดของนอกกายอย่างตัดไม่ขาดเราจะเอาพละกำลังที่ไหนมาตัดอุปาทานภายในได้ไหวละ่ะเมื่อตกลงปลงใจนแน่วแน่ว่าจะไม่ติดต่อกับเธออีกการออกเดินทางใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นฉันวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่า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 สิ่งที่เคยผิดมาแล้วก็ไม่ทำซ้าสิ่งที่เคยถูกมาแล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นเหมือนคนเคยเดินผ่านเส้นทางสู่จุดหมายเดิมถึงแม้ระปลกกระเปลี้ยเพียงใดก็ต้องจําหลุมบ่อจําขวากน้นาตลอดจนทางลัดได้อยู่ยอมไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นเป็นธรรมดาฉันเริ่มแม่นมากขึ้นว่าก้าวที่หนึ่งนั้นเน้นที่รู้ว่าหายใจออก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 เพิ่งเห็นชัดว่าคนรักเป็นสิ่งตรึงใจแน่นหนาขนาดนี้เห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ย้อนคิดย้อนห่วงย้อนสงสารเธอขึ้นมายกตัวอย่างเช่นพอคิดถึงมากๆแล้วดึงสติกลับมาตั้งที่ฐานคือลมหายใจบันเทาความคิดถึงลงได้หน่อยหนึ่งก็คิดซ้อนขึ้นมาอีกว่านี่ขนาดฉันมีเครื่องอยู่ของสติ ยังผ่านเวลาแต่ละชั่วโมงไปด้วยความยากลำบากแล้วเธอที่เป็นคนธรรมดามีสติไว้คิดเรื่องงานอย่างเดียวไม่เคยฝึกรู้กายใจโดยความเป็นของเกิดดับอย่างฉันละ่ะจะลำบากกว่ากันแค่ไหนวันแรกผ่านไปแบบครึ่งๆรึ่งรู้ลมหายใจก็รู้แต่ก็วนเวียนกังวลเรียกว่าสติแบบฝื น, ฝน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 ครอบครองชื่อเสียงเรืองนามตามเดิมฉันพยายามเจาะผ่านม่านอุปาทานเข้าไปให้เกิดความเห็นแบบตอนตื่นอีกลองแม้แต่นึกถึงภาวะความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จรากับเมื่อเช้ามืดโดวนวางยาบางประเภทให้เห็นโลกผิดเพี้ยนไปขณะนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วฉันหูเหาะอยู่กับตัวเองคนเดียวในรถ ความจริงคือภาวะนี้ต่างหากที่กำลังเห็นโลกผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงน่าตรนกนักที่ม่านอุปาทานหนาหนักเจียจนทุกอย่างดูเป็นจริงเป็นจังนี่กายฉันนี่รสฉันนี่ความรู้สึกนึกคิดของฉันหาพิรุธไม่ได้เลยไม่น่าสงสัยเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องเพียรพยายามนึกให้มีฉันมันก็มีอยู่ในใจตลอดเวลา แตกต่างจากการเห็นให้ได้ตามจริงว่านี่ไม่ใช่ฉันนี่ไม่ใช่รถฉันนี่ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของฉันกว่าจะเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ต้องตั้งสติกันนานฝึกอบรมจิตกันพักหนึ่งฉันยังเป็นปุตตุชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงง่ายที่จะคิดแบบปุตตุชนคิดและพบว่าเมื่ออาศัยความนึกคิดแบบปุตุชน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 รวมทั้งมีดวงจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายคือสมาธิบารมีดีพอก็จะกลับวางเฉยเสได้ในเวลาอันรวดเร็วตรงข้ามกับผู้ไม่เคยคิดสละออกมีใจสกรปรกคิดคดรวมทั้งฟุ้งซ่านเห็นอะไรอะไรบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงก็จะว้าวุ่นจนกลายเป็นบ้าเอาพระพุทธเจ้าให้ทาจิตพองใสเป็นสมาธิ ให้รักษาศีลสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเจริญสติปัฏฐานให้หมั่นทำทานคิดสละออกล้วนแล้วแต่มีความหมายมีความเป็นพื้นฐานเพื่อรอรับยอดได้อย่างเหมาะสมท่านไม่เคยแนะนำขาตกบกพร่องอันจะเป็นเหตุให้สาวกต้องลำบากภายหลังเกิดธรรมะปีติสะเทือนแรงจนน้ำตาเอ่อคลอเป็นจังหวะรถติดไฟแดงพอดี ฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนต้องยกมือไหว้ท่วมศีรษะในบัดนั้น